ที่ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตต์สตะสะตะแปลว่าผูกสตตะแปลว่าผูกข้องยังติดยังข้องอลายพายข้องเพลี่ยนธนั้นก็ทราบกันแล้วท่านปนานนาว้ยต่างหลายพบหลายภูมิเรื่น่ตั้งแต่ภูมิ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 แม้แต่นรกอรวิธีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมาไก่กองยังต้องไปนะ่ย่นักต่อสู้ทำไมอะไรทำทําให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเครื่องหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องหนุนการมาพบูปพรรพอรุปรรพีท่านปุ่นไว้กว้างสามนะ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 เรายังจะมาสงสัยอยู่หรือ ว, ว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมันเกิดอยู่เวลานี้ เ, เ, เปลือนแผ่นดินเหมือนนี้เรายังจะสงสัยอะไรอีกความเปิดก็แสดงให้เห็นอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งหยากทั้งละเอียดทั้งในน้ำบนบกมันมีอยู่หมดบรรดาสัตว์เรายังสงสัยอยู่หรือ ว, ว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมาเกิดเมื่อมันมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิด มื่มันสูนย์ไปจริงๆตายแล้วมันศูญไปจริงๆแล้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่ศูญ น, นั่นเองพาให้มาเกิดอยู่เวลานี้แล้วเราจะเป็นโร ล, ล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันศูญไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นแล้วมีจะมีใครเป็นผู้ชะงาแง้มคมรู้รายละเอียดละอทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันรูปคำไปรูปคำไป คำไม่เห็นก็ว่าไม่มีนะไปโดนเนาะสิ่งเนี่ยว่าสิ่งไม่มีนะ่ะไปโดนเอาโดนเอาเหมือนเราไปเหยียบปากเหยียบน้ําเหยียบอะไรนะั่นเราเข้าใจว่าไม่มีในะขนะที่เหยียบแต่แล้วก็น้ําที่เราว่าไม่มีนะั่นแหละมันตักเราเนีเพียงท่านี้ก็พอทราบได้ว่าคนเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นของตัวเองแนะ่ะแม้แต่น้ำแบบหยามมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนะ่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 มันไม่สูนั่นที่มันถึงมาเกิดให้เห็นอยู่เกิดทั้เห็นตายเห็นอยู่นี่น่ะมีตัวแน่แต่สิิงไม่สูนั่นน่ะมันจึงมีเกิดมีตายเห็นดีทัดทัดเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระเจ้าเราเชื่อเราเองไงความรู้ความเห็นเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถ ไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้ศูนย์ไปตามความรู้สึกของตนทั้งๆ ท, ที่ตนไม่สามารถจะรู้เนี่ยแต่ทําไมจึงจะสามารถอาดเอื่อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทําไมมันโง่สองชั้นสามชั้นเรายังเชื่อว่าเราฉลาดอยู่หรอือแล้วมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องมันยาตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนาศนาสนธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้ เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาชีหมดแผ่นดินโลกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าแห่งศาสนธรรมที่ท่านสอนไวน้นี่เรายังไม่เห็นว่าเป็นของสําคัญอยู่หรือโอวาทถ้าเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแค่ต้องจริงว่าเป็นของสําคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยนั่นเองนในขณะเดียวกันมันกำมังลบล้างสาระคุณอะไรทั้งเราออกหมด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 ที่จำเป็นอย่างนี้มันจะมีจำเปอร์เพียเดียวหรือไม่ถึงเป็นประวัติศาถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้ว<ม>เรานักคนอในจานวนเปอร์เซ็นตอันนี้จะพอหรือไม่พอกันนักคนอในจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่วันหนึ่งเปอร์เซนหรือไม่พอเปอร์เซ็นนี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ ช, าชาัดๆภายในจใิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดยี่ที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชือเ่อเหตุให้ต เหตุผลให้ตามมีอยู่ที่จิตเมื่อเราเรียนนําประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาทดลองก็ไปหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันธ์อะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพูดง่ายๆเหมือนอย่างเราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราแค่จริงๆนี่เราจะลบล้างได้ไงพิเศษได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มี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 ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดําเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสดดีมงคลแะ่เราพูดมุ่งหวังความพ้นทุกข์มุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ําำจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆผู้ยัญจิตาภาวนา น, นั่นแหะเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดเจนธันกิจมันก็เพิ่มทั้งวันจิตตลอดเวลา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 แล้วการเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนให้ทราบวิถีของจิตที่ไปชิดไปตํัณฑ์ติดชมกับสิ่งใดไปติดกับสิ่งนั้นตนํัณฑ์ก็ติดชมก็ติดถ้าจิตอยู่ในท่านที่จะควรติดแล้วติดทั้งนั้นเป็นไม่ถอยเรื่องติดเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายของจิตจึงไม่มีถอยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของจิตจึงไม่มีถอยมีประ จ, จรําจิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่ถอยในการกระทํากรรม ได้แค่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นกับจิตแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดๆภายในตัวของเราเองทานเรียนจึงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลําดักลำหลำนักอันใดที่คนต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้โดยสติปัญญาแล้วมันล่อยของมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีนนมมนนมมค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามา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 ธนิจิตนี่ศูนย์ไหมนั่นชั่มกับอีกสิถึงไมยมีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตาจะเกิดต่อไปอีกนี่เป็นอันบ้าหมดปัญหาแล้วตะขิดตรงนี้ธนิจิตรวงที่หมดปัญหานี่มันศูนย์ไหมนัน่นอีกย้อนลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะ่แล้วอะไรมาศูนย์ฮนี่แหละความจริงมันเป็นอย่างนี้จะอะไรมาศูนย์มันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนอเด่นจนพูดไม่ถูกมันคัด หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปิดให้พาเกิดพาตาให้พาลากพาชัง่งใหายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนหนึง่งเครื่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดทิ้งไปแล้วอะไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วอแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธิ์นี้ศูนย์ไปไหมจริงนานเอาตรงนี้อ่ะหอมชัดๆอย่างนี้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 หม้อหายตายผ่านแล้วนี่มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อมันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผึ้กันอีกขึ้นกันามากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้นี้มันไม่ได้อีเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่ท่าน ที่สำคัว่านิพพานังปรามังสูญอย่างนะศูนย์แบบนี้เองแบบที่ว่านี้้ขึนคือว่าสมมุติทั้งปวงอศูนย์สิ้นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดปรมามันมไม่มีเหลือเลยท่านจึงเรียกว่าศูญผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละ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 เป็นที่ว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตธรรมชาตินี้ดวงนี้แหละหากว่าสูญไปจริงแล้วทําไมบททําบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูญหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ล่ะอือเนี่ยโลกคือหมูสัตว์หมูสัตว์ตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดดูภายในจิตนี้เองท่านเรียกว่าหมูสัตว์ เกิดทั่วโลกดินแดนตายทั่วโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันใดเป็นผู้เกิดผู้ตายทีเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากชาติปีูกคาชะลาปีตุคามานำปดูุขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชำระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข้าศึกแล้ว ธรรมชาตินี้แลคือวิวตตหนักกลับกันแล้วโลกคือมูสัตว์ก็พูดไม่ได้แล้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริรสุทธิ์นั่นถ้าเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้นารทำท่านว่า สวาสดิโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้วิพาเจ้าต ร, รัสไว้ชอบแล้วงานทั้งสิ้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นเบื้องตน้นจนอาทิกกนิยานังเนีไ พ, พร่เพาะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุ้วยผลทั้งเบื้องตน้นมัชเชกนิยานังไ พ, พร่เพาะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุ้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทรามกลางประโยนะ์ประโยชสารนกักกนิยานังไเร่ในที่สุด คือทราบซึ่งเต็มไปด้วยเหตุโดยผลด้วยลลความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิติเตียนพระทํธรรมที่จะไปชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าติเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก้หน้าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักห่งสวค้าธรรมอยู่ตลอดเวลา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 เราเป็นคนรับพค่ทั้งหมดเราผู้ฝืนธรรมเนี่ยรับธรรมท่านไม่รับเออธรรมธรรมท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลัสกสุขารธรรมมีแล้วไม่มีใครจะมารับเคราะหรั บ, ร บ, รบกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนธรรมนี้พญานงค์จึงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีนี้แต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝา่าฝืน ดวยอำนาจของกิเลสท่าให้ผืญ น, นั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานชำระจากสาง ส, ส, สิ่งที่มันพาให้ผืญ น, นั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมชาบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆความชาบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันบาบางลงไปแล้วเราจะมีความชาบซึ้งดื่มด่ามีความพอใจบําเพ็ญศีลบําเพ็ญธรรมถ้ามีตัณฑกิเลสรุนร้ว น, วนตเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัานเรื่องทำเลยนี่นั่น ว, ว่าเรามีวาสนา เรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวาไปบําเพ็ญศีลเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทานบําเพ็ญโทนนานี่ชื่อว่ากิเลสของเราเบาบางลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพอ อ, อกพอใจมีความเกี่ยวความน้อใจในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเรากิเลสมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กัน ถามี่แต่เรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วขึ้นคือว่าความดีนี่มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทำสนใจจะเรื่องจะปีนเปลี่ยวกับความจริงความถูกต้องนิงามโดยถ่ายเยียวจึงรับเขาตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากมาแต่ตนไม่ว่าจะอยู่พบใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติชั้นมันนะไม่มีภาษามันเป็นแหล่ง ผิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครั้งแห่งวิบักคือผู้รับผลนันจึงต้องได้รับความดุความทุกข์ที่ตนสร้างขึ้นทําขึ้นมากน้อยหลีบหลบหลีกลีดตัวไปที่ไหนไม่ได้การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งหลังเป็นตัวการทั้งเรื่องของ ที่เป็นมานี้เป็นต่อการทั้งเรื่องที่ในในทั้งเรื่องชำระทั้งเรื่องแก้ไขต้องฝืนตัวกิเลสนี้ต้องฝื น, น, นเพราะกิเลสเคยฝืนอมานานแล้วเคยบังคับอามานานแล้วคราวนี้เราได้อ่านได้ทํามาจากพระพุทธเจ้าจากครูาอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสสู้ไม่ถอย ขึ้นชอวะสู้นีมันจะต้องมีทีแรกเรายอมแบบหมอบราบเลยพราไม่สู้ทีนี้ขั้นตอนมาเราสู้แม้จะมีแพ้บางกว่าตามอ่าขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีะคราวนี้แพ้เอากําลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาผิดใหม่สู้เอยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยจะมีความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังสิทําไมไมันเป็นอย่างนั้นล่ะอีกตรงนี้ ขึ้นชื่อว่าคําแพ้แล้วให้ตายจะดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยซากอัตภาพนี้ให้ตายจะดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในปีนี้ไม่ชนะให้ตายนั่นตังสิเด็ดไหมจีดดวงเดียวนั่นแหละดวงที่อ่อนแอดวงที่ร่ำลุกคุกครั้นั่นแหละ เวลานะพิดตัวขึ้นพิดตัวขึ้นด้วยอดเบื่อทำนะครับการสุกผลอบรมมีกาลังบางชาสางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับโทษประจักษ์กับใจนั่น่เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใ จ, จถึงขั้นที่ว่าให้ตายจะดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสองค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลยสัดแพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้ก็ต้องเสียใจแม้จะทามาเล่นก็ตามมันยังเสียใจ มีเรื่องของมัตตสงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสกับเราเป็นเรื่องความคลองคลุกแค่แท้แล้วการแพ้สิ่ ง, งนี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาคิดเลไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยล่ะอเอาให้สู้ให้ได้นี่จนกระทั่งชนะได้เป็นลําดับลาดับและไม่ให้มีคำว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยอ่านี่เป็นผู้ ร, รักษา ถ้าลงลัชชนะไปเลยแล้วที่นี่การเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์นมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศูนนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนฮะเพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่านี้หมดภายในหัวใจความสงสัยสงสนเทอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรนเครื่องกั้นกลาง ขั้งกั้นกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทำมีหมดตปมีหลัก ง, งานของเรางานรื้อพบรื้อชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสาคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวัตะความหมุนของใจเรื่องความเกิเกดเจ็บตายไปพบนั่นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสาย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกระเตรียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มก ต, ติกำลังความสามารถหากจะไปเกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างมา น, นี้เป็นผลเครื่องเสลิ้ของเราเราไม่เสียท่าเสียทีไปภพไหนก็ไปก็กำพาให้ไปนี่ใชว่างไหมเราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเฉลิ้มหมักเราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่า ถ้าไปหมดท่าดูก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นสิ้นท่าทั้งหมดคนสิ้นท่าเป็นของดีนะเหรอมันชิ้นท่านะใก่เป็นของดีเรารู้อยู่ทุกกฎพยายามสร้างจิตใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้บระริจ่าจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรบาปมีด้วยกันอ่เกิดไม่ทำมาอะไรทากลางแห่งบาปนั่นแหละคนเราแห่งบาปแห่งกิดเลสตัณหาสักวะแห่งบุญคือความดีวาสนาของตนนั้นแหละ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 ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าวัดความอยากนั้นสาเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นไปได้เนี่ยหนิงไม่ขึ้นอยู่กับความอยากเป็นั่นขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราอยากไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไปมันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่อยาถึงที่นั่นถึงอย่างถึงที่นุ่นถ้าถึงจุดหมายปลายทางวิเยนั้นทุขธรรมเจตินักคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดับลำดับพราะความเพียรพยายามนี้เป็นหลักใหญ่ นี่แหละเป็นธรรมของรรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศัสดาของโลกเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงลูกท้าเหล่าก็ของพระพุทธเจ้าอแล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงเพิ่งพ่วงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังเนี่ยมันก็เข้ากันไม่ได้เดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องก้าวหน้าไป จะช้าหรือเร็วก็ตามค้อนความพยายามของเราเป็นไปตามตติกําลังความขึ้นมาของเราอย่าลดละความเปลี่ยนเท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนดําเนินตามครูศาสนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าเขาสอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอานาจวาสนานะักพราะเราสร้างอยู่ทุกวั น, ท, วนทุกเวลาทําไมจะไม่เป็นอานาจเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับสนุนหลวงเดา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 ทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเข้ามากมีแต่ทีเราอพ้นกิเลสมอบนอกจากหมอลักห้าที่ผายหมดไม่มีอะไรเหลือฆ่ากิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นทุกข์พ้นอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสชาติอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจริงไม่ควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองมองมันซึ้งๆมันอยู่ในใจของเราเนี่ย มองเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่สิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ในที่อื่นใดขอให้พาการนำไปพิจารณาตําเพ็นคุณงามความดีอย่าลดละความภาความเพียรอันใดก็ตามขึ้นคือว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามชินลักษาะชินก็ตามภาวนาก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเข้งแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเรา ให้ไปได้วยความเป็นสุขเป็นสุขเทียวว่า ส, สุขโตสุขโตอยู่ก็สุขโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสาคัญขอจึงขอยิติการแสดงเปลี่ยนต น, น